จริงๆแล้วว่าเราภาวนานะเราไม่ยากอะไรหรอกหลวงพ่อชมเชยนะคนที่สนใจการภาวนารู้จักเติมเต็มสิ่งที่มีคุณค่าให้ชีวิตตัวเองอยู่กับโลกมีครอบครัวมีเงินมีทองมีตำแหน่งหน้าที่มีชื่อเสียงของโชคลาภทั้งหมดเลยบางคนมีเมียสวยนะมันก็สวยอยู่ไม่กี่ปีมีแฟนหลอ่อมันก็หล่อไม่กี่ปี มีลูกนึกว่าจะชื่นอกชื่นใจมีลูกพึ่งพาอะไรไม่ได้ยุคนี้ยมันเลี้ยงตัวเองยังไม่ค่อยรอดเลยไม่เหมือนคนโบราณ น, นะคนโบราณก็มีลูกสิบคนแปดคนนะคนแปดคนเลี้ยงคนสองคนเนี่ยทําได้นะเดี๋ยนี้มีลูกสองคนสองคนเนะี้เลี้ยงตัวเองก็แย่แนละ้วนี่ยมาไม่มีส่วนเกินเนีย่ยมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หรอกไม่มีผลผลิตส่วนเกินพอแล้วเลี้ยงลูกเสร็จแล้วก็ ต้องไปเลี้ยงหลานต่อส่วนใหญ่อยู่ไปงั้นเองวันๆไม่นานก็ตายมีตำแหน่งหน้าที่มีอำนาจก็อยู่ช่วคราวมีเงินได้มาก็ใช้ไปเก็บเงินไว้กะว่าจะพอใช้ตลอดชาติไม่พออีกแล้วพราะของมันแพงขึ้นทุกวันน้ำมันควดนึงเกือบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้จะหาน้ำมันหมูก็ไม่ได้นะหมูผอมอยุ่เนี้ย เขาเลี้ยงเปนหมูผอมๆไม่มีขนด้วยตัวแดงๆเก็บเงินไว้นึกว่าจะไว้ไวใช้ตอนแก่ไม่พอใช้หรอกชีวิตข้างหน้าน่าเหงาด้วยนี่ไม่พนะ้นความเหงาเราเดินลอยฝรั่งเขานะแต่ระบบเราไม่ได้รองรับได้เขามีสวัสดิการสังคมมีอะไรเรามันยังไม่ได้มีจริงเราทําลายระบบเดิมของเราไปนะระบบครอบครัวงเราแตก ยันพวกเราเตรียมตัวไว้ตอนแก่จะเหงาเหงาบางคนจะลําบากด้วยจนด้วยเหงาอย่างเดียวไม่เท่าไหร่นะจนด้วยก็ยิ่งลําบากใหญ่นะเอาอะไรเป็นที่พึ่งได้มันไม่มีใครมาเป็นพี่ที่พึ่งกับใครได้นะยุคต่อไปแต่ละคนเอาตัวไม่ค่อยจะรอดพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งยากก็พึ่งธรรมะเอาเนาะพึ่งธรรมะ ทางร่างกายคงไม่สุขไม่สบายแก่แล้วแต่ทางจิตใจถ้าเราฝึกของเราไว้ดีนะมีความสุขได้จนก็มีความสุขได้นะถูกทอดทิ้งเป็นตาแก่ยายแก่เหงาๆถึงปีหนึ่งเขามาเยี่ยมทีหนึ่งอะไรยเราก็ยังมีความสุขของเราได้อย่างหลวงพ่อนะไม่เคยคิดจะมีลูกมีหลานเลยไม่เคยคิดจะให้มันเลี้ยงเลยนะเราคำนวณอนาคตไหมมองการไกล ถ้าเรามีลูกมีหลานเราต้องเลี้ยงมันไปเรื่อยๆลําบากเลยภาวนายิ่งภาวนาทักษะเรามากขึ้นมากขึ้นเรามีความสุขอยู่ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะก็มีความสุขได้จนๆก็มีความสุขได้นะว่าเหว่งเงียบเหงาไม่งเงียบเหงาอยู่ตามลําพังแต่ไม่งเงียบเหงาคนละยางกันอยู่คนเดียวไม่ใช่แปลว่างเงาียบเหงา อยู่คนเดียวก็มีความสุขได้อยู่ท่ามกลางคนเยอะแยะก็เหงาได้พวกเรายุคนี้รู้สึกไหมชีวิตเราเงียบเหงาเนะคนที่เรารู้จักมีเยอะแยะเลยแต่ว่ามันไม่รู้จักใครอะรู้จักก็เหมือนไม่รู้จักกันเท่าไหร่ชีวิตที่เงียบเหงาเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งมีสติคอยรู้ทันตัวเองได้ด้ความทุกข์ทางร่างกายนะั้นมันเป็นธรรมชาติธรรมดาหนีไม่พ้นอนะ แต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยพ้นได้เราฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดีมีสติไหมมีสติรู้ทันจิตใจของเราความทุกข์มันเกิดได้ยังไงถ้าเรามีสติรู้ทันใจเรื่อยเราจะเห็นกระบวนการที่จิตปรุงความทุกข์ขึ้นมารู้ทันกระบวนการที่จิตปรุงความทุกข์ขึ้นมามันก็เลิกปรุงไปเองเนี่ยไม่เห็นต้องทำอะไรเลยนสุดท้ายเราจะมีชีวิตที่เต็มอิ่มนะมีชีวิตที่มีความสุข เป็นความสุขที weiß, ants, ins, du du hast, ่ไม่ยิงอาศัยคนอื่นไม่ยิงอาศัยสิ่งอื่นความสุขทางโลกต้องยิงอาศัยคนอื่นยิงอาศัยสิ่งอื่นอย่างอยากได้เงินเยอะๆก็ต้องมีคนมาซื้อของเราเยอะๆต้องต้องยิงอาศัยลูกค้าอย่างอยากมีชื่อเสียงก็ต้องทําตัวให้คนรู้จักต้องยิงอาศัยคนอื่นอยากมีอํานาจก็ต้องไปแย่งชิงมาต้องรักษาไว้ต้องอาศัยคนอื่นีง ในความเป็นจริงแล้วอำนาจของมนุษย์แต่ละคนนะคนอื่นเขาให้ตัวตัวเองไม่ได้มีอำนาจอะไรคนอื่นเขาให้เ้าลงมติให้หรือไปแย่งเขามาได้ไปรวมพวกได้เยอะๆไปแย่งมาคนอื่นให้ทั้งนั้นรวยขึ้นมาเพราะคนอื่นให้มาอำนาจมีมากก็เพราะคนอื่นให้มามีความสุขอยู่กับครอบครัวได้ไหมต้องพึ่งครอบครัวพึ่งลูกพึ่งเมีย พึ่งสามีลูกหายไปก็ไม่มีความสุขความสุขของคนในโลกนะั้นเป็นความสุขที่อิงคนอื่นตลอดเวลาแต่ความสุขในธรรมะเนี่ยพึ่งตัวเองได้ความสุขของคนพึ่งตัวเองเรียนรู้ตัวเองเข้าไปเรียนรู้ตัวเองมีสติเรียนรู้กายมีสติเรียนรู้ใจรู้บ่อยๆวันหนึ่งห้เห็นความจริงของกายของใจกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยง กายนี้ใจนี้เป็ในทุกข์กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นในนี้เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเห็นแล้วมันจะไม่ยึดถือไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจอยา่างร่างกายเนี่ยเรารู้เนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์ร่างกายไม่ใช่ของดีของพิเศษในร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาไม่ใช่ตัวตนอะไรที่ถาวรนะ เห็นของจริงไปไมนจะเอื่มละเห็นแล้วเบื่อไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรนี่พอเห็นความจริงของกายนะมีแต่ความแปรปรวนงั้นใจยอมรับได้พรากายนี้แปรปรวนกายนี้มีความทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าใจยอมรับได้พอมันแปรปรวนขึ้นมามันไม่เที่ยงขึ้นมาก็าไม่ทุกข์นะพอมันทุกข์ขึ้นมาเขาไม่ทุกข์อีกทุกข์ทางกายไม่ทุกข์ทางใจ ก็เห็นอีกแค่อาศัยอยู่ชั่วคราวเป็นวัตถุธาตุอาศัยอยู่กับโลกวันหนึ่งก็คืนโลกไปไม่ใช่ของเราเอาไปไหนไม่ได้ต้องคืนหมดเลยเอามันเท่าไหร่ก็คืนหมดเท่านั้นให้ดูลงไปเรื่อยเห็นความจริงนะยอมรับได้เพราะเราภาวนาที่ทำมิปัสชนากรรมฐานนนแหละทำไปเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงของกายจิตยอมรับความจริงของใจยอมรับว่าเป็นอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาพอยอมรับแล้ว พอกายใจนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาไม่ทุกข์แล้วอย่างร่างกายแก่ไม่ทุกข์เพราะมันแก่นะเพราะรู้ว่ามันต้องแก่ยอมรับได้กับความแก่มันเจ็บขึ้นมาก็ยอมรับได้มันต้องเจ็บมันต้องทุกข์มันเป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวสุขมันจะเป็นยังไงบังคับมันไม่ได้มันวันนะเอาวัตถุธาตุป้อนมันเข้าไปมันเอาเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็ขับออกมาหมุนไปหมุนมา ไม่ใช่ของดีวิเศษอะไรถาวรพึ่งพาไม่ได้จริงดูไปเไรื่อยเห็นความจริงนะยอมรับความจริงได้ก็ไม่ทุกข์เพราะร่างกายแนละมาดูจิตใจนะจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวร้ายก็ชั่วคราวมีแต่ของชั่วคราวหมดเลยในจิตใจเรานี้นะี่มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของทนอยู่ไม่ได้มีแต่ของบังคับไม่ได้ สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกขก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้เนี่ยเราทำวิปัสสนานะเพื่อเห็นของจริงนี่แหละซ้ำไปซ้ำมาเห็นใจรักซ้ำไปซ้ำมาจนจิตมันยอมรับความจริงแล้วก็ท่านจิตเองก็ตกอยู่ใต้ใจรักไม่เที่ยงงั้นจะดิ้นรนทุกวันนี้เราดิ้นรนตลอดชีวิตเพื่อหาความสุขมาให้จิตมันเสพเมื่อเช้าบอกแล้วกายมันไม่ได้เสพด้วยจิตมันเสพ ดิ้นรนนหาความสุขมาให้จิตมันเสพนะมันของชั่วคราวอีกความสุขนั้นก็ชั่วคราวดิ้นเท่าไหร่จะพอก็ต้องดิ้นไปเรื่อยๆตัวจิตเองก็ไม่อิ่มไม่เต็มแล้วก็บังคับไม่ได้มีความสุขแล้วก็อยู่ชั่วคราวก็หายไปเดี๋ยวความทุกข์ก็มาอีกไล่ก็ไม่ไปพอมีความทุกข์แล้วไล่ก็ไม่ไปมีแต่ของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยเราดูนะจนใจเรายำรับความจริงตรงนี้ได้ ต่อไปนะใจมีความสุขขึ้นมาก็แค่รู้ก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวก็หายใจมีความทุกข์ขึ้นมาก็แค่รู้ก็แค่นั้นเดี๋ยวมันก็หายมันจะชั่วหรือมันจะดีมันก็เสมอกันนะมีแต่เสมอกันหมดเลยด้วยความไม่เที่ยงด้วยความทนอยู่ไม่ได้ด้วยการบังคับไม่ได้ใจก็หมดแรงดิน้นพอใจยอมรับความจริงของกายก็จะไม่ดิน้นรนเพราะกายใจยอมรับความจริงของจิตใจก็จะไม่ดิน้นรนเพราะจิตใจ ใจที่หมดความดิ้นรนนะหมดความดิ้นรนปรุงแต่งใจนั้นจะเข้าสู่ความสงบสุขเข้าสู่สันติมีสันติภาพเกิดขึ้นในใจคําว่าสันติสันตินะั้นคือนิพพานนั่นเองถ้าใครเขาถามเราว่านิพพานเป็นยังไงอย่าไปตอบว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะนิพพานมีลักษณะยังไงนิพพานมีลักษณะสันติสงบจากความดิ้นรนปรุงแต่งสงบจากกิเลสสงบจากทุกข์นะ มันไม่ดินรนปรุงแต่งไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์กิเลสก็เป็นสิ่งดิ้นรนปรุงแต่งขึ้นมาทุกข์ก็ดินรนเป็นผลของการดินรนปรุงแต่งขึ้นมางั้นเรามาดูความจริงของกายดูความจริงของใจเรื่อยไปวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าบางคนดูนานๆบางคนดูไม่นานก็ยอมรับบางคนดูนานถึงจะยอมรับบางคนดูตลอดชีวิตยังไม่ยอมรับไปดูต่อเอาชาติหน้าดูต่อไปอีกดูจนมันยอมรับความจริงของกายของใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนยอมรับได้แล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายก็ไม่เดือดร้อนไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับใจก็ไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งต่อจิตที่หมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งแล้วไรมันสงบมันสันติมันสัมผัสพระนิพพานอยู่ในตัวของมันเองงั้นเวลาเราสัมผัสนิพพานนะสงบสงบแต่เต็มไปด้วยความสุขไม่ใช่สงบแห้งแล้งไม่ใช่เหมือน สงบอย่างโลกโลกนะสงบอย่างโลกโลกแห้งแลง้งสงบของพระนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องประหลาดสงบไม่มีอะไรเหมือนเลยเพราะไม่มีความปรุงแต่งนะแต่บร ม, มสุขเลยนิพพานเป็นบร ม, มสุขนิพพานไม่ไม่ปรุงแต่งมันสุขเพราะว่ามันสงบจากความปรุงแต่งค้นจากความปรุงแต่ง มันพ้นจากความปรุงแต่งเพราะมันมีปัญญามันเข้าใจความจริงของกายของใจมันยอมรับความจริงของกายของใจทีแรกก็เห็นความจริงก่อนเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอันตายเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกเห็นแรกๆยังไม่ยอมรับอย่างพอดูไปดูไปตัวเราไม่มีมีแต่รูปกระ น, นามตัวเราไม่มียังยอมรับไม่ได้นะใจว้าเหวเลยบางคนบางคนตกใจบางคนกลัวบางคนเบื่อหน่าย เย็ยนชีวิตเลยเนะนี่ยเพราใจยังยอมรับความจริงไม่ได้ว่าตัวเราไม่มีก็ภาวนาต่อไปเรื่อยดูกายดูใจทํางานไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งไม่ใช่แค่เห็นความจริงหรอแต่ยอมรับความจริงได้ด้วยวันใดที่ยอมรับความจริงได้นะี่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วยอมรับความจริงจิตใจยอมรับความจริงยอมรับธรรมะนะธรรมะเข้าสู่ใจถ้าธรรมะเข้าสู่ใจเต็มเปี่ยมแล้วก็เข้าสู่ความสงบสันติ ถึงนิพพา น, นถ้าเขาถามนิพพานคืออะไรตอบไปนะนิพพานมีสันติลักษณะมีลักษณะสงบจากความปรุงแต่งสงบจากกิเลสงสงบจากทุกข์สงบจากทุกข์ก็คือสงบจากขัน น, นั่นเองจิตพรลาดจากขันทุกข์ก็คือขันนั่นแหละที่เรียกว่าทุกข์ทุกข์ก็คือตัวขัน น, นั่นแหละถ้วเราฝึกนะฝึกดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปเพื่อวันหนึ่งมันจะยอมรับถ้ามันยอมรับได้เราจะพ้นทุกข์ ไม่เหมือนเขียนซอฟต์แวร์นะเขียนซอฟต์แวร์ถูกแล้วผลมันออกมาเท่าๆกันแล้วภาวนาทำเหมือนกันทุกวันผลไม่เหมือนกันสักวันคุมไม่ได้นะมีตัวที่เออร์เรอมากเลยตัวที่มันควบคุมไม่ได้ตัวนี้ไตรลักษณ์ขุมไม่ได้จริงถ้าต่อไปตรวจกันบ้า น, ม, นมันเห็นจิตที่มันเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะ มันคืออย่างเมื่อคืนตื่นขึ้นมาก็มีความคิดเข้ามาตลอดมันเหมือนฟงุงแล้วก็ตอนเช้าก็มีโมหะเยอะพอตอนใส่สายมาฟังหลวงพอ่อมาฟังหลวงพ่อเทศจิตมันก็เริ่มคลายแล้วก็มีความสุขขึ้นมาก็เลยเห็นว่าจิตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเราควบคุมไม่ได้แม้ว่า เ, เราจะทาเหมือนเดิมการที่หนูเห็นอย่างนี้นะ แต่นี้เรียกว่าสัมมัชนญาณสัมมัชนญาณในเห็นไตรลักษณ์เห็นจิตเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเห็นไตรลักษณ์ด้วยการเปรียบเทียบเอาเมื่อวานเป็นอย่างนี้หัวค่าเป็นงี้ดึกเป็นอย่างนี้เช้าเป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นแล้วก็เลยรู้ว่าไม่เที่ยงรู้ว่าบังคับไม่ได้อันนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะแต่เป็นจุดตั้งต้นที่จะไปสู่วิปัสสนา ตอนที่จะขึ้นพิปัสนาจริงๆแล้วดูลงปัจจุบันนี่และเห็นมันเปลี่ยนแปลงอยู่ในปัจจุบั น, นะจะไม่มีการเทียบกับระยะเวลาที่แตกต่างนะถ้ายังเทียบด้วยพ่วงเวลาที่ต่างกันเรียกสัมมสนญาณดีฝึกมาได้ตรงนี้ค่อยดูต่อไปนะจะเห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปอยู่ตอนหน้าเรานี่เลยตรงนี้เราเดินปัญญาแท้ๆแล้วขึ้นพิปัสนาเกือบละหนูขอกรรมฐานที่จะเอาไปปฏิบัติต่ตอค่ะ ถ้าอยู่วัดทำไงก็อยู่บ้านทำอย่างนั้นแหละคือทำงานที่ใช้ความคิดทั้งวันเราทำงานทั้งว no okay. no, ันจริงหรือไม่จริงหรอกแอบไปคิดเรื่องอื่นตรมเสรไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันเราแต่พวกเอเชียซอฟต์นี่ทำซอฟต์แวร์ปะทซอฟต์แวร์เวลาทำเขียนซอฟต์แวร์ก็อย่ามาดูจิตนะเขียนไม่ได้อ่ะมันดับความคิดไปหมดเลย คิดอะไรไม่ได้ทํางานไม่ได้เงั้นเวลาทํางานที่ต้องคิดนะจดจ่อกับงานสติอยู่กับงานสมาธิอยู่กับงานปัญญาคน้นคว้าพิจารณาในงานนะแต่ว่าทํางานไปแล้วขี้เกียจขึ้นมาเนี่ยรู้ทันทํางานแล้วเครียดขึ้นมารู้ทันอันนี้กิเลแสแทรกแล้วไม่ใช่งานแล้วก็นะวคอยรู้เอาตรงนี้ถึงเวลาไปกินข้าวก็คอยรู้ทันจิตใจรู้ทันร่างกายตอนนั่งรถกลับบ้านนั่งรถไปทํางาน คอรู้ทันใจรู้ทันใจเนะเก็บแต้มหอบแถวนี้แหลนะปฏิบัติในรูปแบบก็ให้ทําเหมือนเดิมใช่ไหยคะต้องทํานะสม่ําเสมอนะนั่งสมาธิได้หรื อ, อยังคะได้แล้ไม่ค่อยซึมละ<อ>แต่ว่ามันน้อมไปรีบรู้ทันนะ<อ>จะซึมพอจะกลับแล้วก็ฟุ้งอีกแล้ว hmm? พอจะกลับก็ฟุ้งอีกแล้วนะคะมาไพาสันมีอะไรแนะนําให้ไปปฏิบัติต่ตอหรือเป่า แน่ไปเยอะแล้วนะอยู่ที่เอาไปทําหรือเปล่าเท่านั้นแหละไปทําต่อไปแต่ว่าก็นั่งได้หรือว่าควรจะควรจะอืเคลื่อนไหวไหมากกว่าหรือเปล่าเคลื่อนไหวแม่ออกมาอยู่ข้างนอกมากขึ้นค่ะหลวงพ่อแล้วก็มัวมากค่ะแล้วก็มัวมากค่ะแล้วก็ไปไม่ค่อยเป็นน ะ, ะไม่เป็นไม่ต้องรู้ทันใจที่เกิดตัณหาขึ้นมาเลย อย่างมัวแล้วอยากให้หายรู้ทันตัณหาไปเลยนะเล่นตัวนี้แหละผูเล่นตัวตัณหาเนี่ยเล่นให้เยอะแล้วตัณหานี่ยเราจะสร้างพบไปด้วยนะถ้าเม่อไรใจเป็นกลางนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะยังถูกอะไรขึ้นมาแปลกแปล ก, แปลกอะไรนะผีหลอกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าใจเป็นกลางนะหายหมดเลยถ้าใจมีตัณหาก็ดิ้นแล้วปรุงนะปรุงแล้วกลัวม้างเงี้งนั้นบ้างนี้ แต่ถ้ารู้ทันใจรู้ทันความอยากเช่นอยากจะไม่ให้ถูกโจมตีอะไรเงี้ยอยากจะโน้นอ ย, อยากอย่างนี้นะรู้ทันใจชี่ อ, อยากพอความอยากดับเป็นกลางปุ๊บเนะี่ยหายหมดเลยนะภาพนิมมงนิมิตเลยก็หายหมดนะคงจะ ย, ยังไม่ได้ส่งการบ้านอะไรนะคะแต่จะตั้งใจภาวนาให้ต่อเนื่องขึ้นค่ะ ฝึกดูกายดูใจไปเรื่อยๆค่ะบ า, บางครั้งก็เผลอก็ยังปฏิยังไม่มั่นคงใช่ไหะฝึกเอานะฝึกเอาเมื่อตอนพระตักอาหารนะหลวงพ่อเรียกพวกเราสุ่มไปไม่ได้รู้จักกันเรียกปรากฏว่าวันนี้น้ำโอ้ภานาดีๆแล้นั่เลยประเภแยกธาตุแยกขันธ์กันจิตกับขันธนะ์นี่ยแยกกันทั้งหลายคนเนะยอะมากเลย เกือบทั้งหมดเลยนะใช้ได้แสดงว่าที่อุตสาห์ไปฟังซีดีไปหัดกันนะใช้ได้จิตกับขันมันพลากออกจากกันนะค่อยๆแยกออกเห็นกายส่วนกายจิตส่วนจิตนะเห็นโลกมันห่างออกไปนะพวกเราที่ฝึกมาถึงตอนนี้ตอนนี้นับไม่ถูกแล้วเยอะมากเลยนะถ้าฝึกถึงตรง น, นี้ได้แล้วก็โอกาสที่จะเข้าใจธรรมะได้มรดได้ผลรก็มี พอเราแยกธาตุแยกขันเป็นแล้วแยกขันเป็นแล้วต่อไปก็ดูขันมันทางานนั่นก็คือทำวิปัสสนา น, น่เองวิปัสสนากรรมฐา น, นไม่ใช้เวลามากหรอกนะไม่ใช้เวลานานถ้าทำถูกต้องนะเราต่อเนื่องบางคนเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจดปีอะไรเงี้ยบางคนนานกว่านั้นก็มีแล้วแต่อินทรีย์เราสะสมมาแค่ไหนเพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าว่าแต่7็วันเลย6วันยังมีเลยท่านบอกงี้นะ หวันนั้นอ่ะก็นานไปห้าวันก็ยังมีเนี่ยท่านว่าอย่างนี้นะสี่วันสามวันหนึ่งวันยังมีเลยท่านบอกนี่พวกที่ทำหนึ่งวันบรรลุอ่ะเขาคงทํำมาเยอะแล้วะนะของเราบางคนแล้วต้นทุนมากบางคนก็ต้นทุนน้อยแต่ว่าถ้าหัดแยกธาตุแยกขันได้แล้ว เ, เรียกว่าไม่ขาดทุนแล้วชาตินี้มันมีทางไปต่อล้ว ถ้แยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะเป็นทำใจสงบนิ่งเฉยอยู่กีป่ปีก็อยู่แค่นั้นน ะ, นะมันพัฒนาไม่ได้หลวงพ่อทําสมาธินะให้แยกธาตุแยกขันไม่เป็นไม่รู้ว่าต้องแยกอะไม่เคยได้ยินเรื่องให้แยกรูปนามธาตุขันอะไรทำแต่สมาธิทําอยู่ยี่สสองปีก็ไม่เห็นไปไหนก็อยู่อย่างนั้นนหะได้แต่สงบะพอได้ยินเรื่องแยกธาตุแยกขันนะก็เห็นกายเห็นใจมันทำงานใจเราเป็นแค่คนดูไปด้ ก็ความรู้ความเข้าใจมันก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้ที่พวกเราฝึกกันได้เยอะแยะเลยรู้สึกไหมจิตมันสว่างขึ้นบางคนก็ทําสมาธิง่ายขึ้นสมาธิก็ดีขึ้นศีลก็รักษาง่ายขึ้นใครรู้สึกศีลรักษาง่ายขึ้นไหมง่ายรักษาที่ใจไม่รักษาที่ปากนะรักษาที่ปากยากรักษาศีลรักษาที่ใจ ใครรู้สึกสมาธิง่ายขึ้นบางคนไม่เคยสงบเลยนะเดี๋ยวนี้พาวนาสงบแนละ้วเพราะเราจับแก่นของมันได้เรามีสติเรารู้ทันจิตของตัวเองสีนี้ก็เกิดรู้ทันจิตตนเองไปสมาธิก็ เ, เกิดรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจด้วยจิตที่มีสมาธิแล้วปัญญาก็เกิดปัญญาเบื้องต้นเลยก็คือแยกรูปนามได้ กายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตเวทนาอยู่ส่วนเวทนาสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วอยู่ส่วนสังขารพอแยกได้แล้วจะเห็นเลยทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสั ง, สงขารทั้งจิตนะต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะไม่มีเราสักอันเดียวเลยมีแต่เกิดแล้วดับนะทุกอย่างเกิดแล้วดับนี่คือการเดินปัญญาที่แท้จริงนะทําไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องมีผลบ้างอนะ่ะเอาต่อไปใครจะคุย ใครมีความจําเป็นจะคุยกับหลวงพ่อเจ็ดสิบสามเชิญครับนำ้ำมัสการครับหลวงพ่อก็มาส่งกันบ้านครับเดือนกว่ากว่าดังนี้นึ้งหลวงพ่อแก่แล้วหูตึงก็มาส่งกันบ้านประมาณเดือนกว่ากว่าครับเพาช่วงนี้ทางโลกเรื่องเยอะครับอะไรนะทางโลกเรื่องมันเยอะครับก็ฟุ้งๆไปเรื่องมัเยอะครับโลกมันก็อย่างนั้นแหละหลวงพ่อยังไม่เห็นโลกไม่มีเรื่องเลย <c oughs> แล้วก็พยายามปฏิบัติในรูปแบบให้ได้ประมาณวันละชั่วโมงครับแล้วก็ระหว่างวันก็พยายามเร่งสติให้มันแต่มันก็เหมือนขึ้นขึ้นลงลงครับมันไม่ได้มันไม่ได้อย่างใจแล้วมันอยากได้ผลนะรู้ลงปัจจุบันไปด้วยนะถึงเวลาผมก็ได้ผลเองแหละไม่ต้องรีบไม่ขี้เกียจแต่ไม่รีบร้อนนะ ขี้เกียจไปหรือเปล่าครับไม่ขี้เกียจไปหรอกแต่ใจมันยังถูกโลกดึงดูดไปเยอะแต่ช่างมันเถอะดึงดูดบ้างไม่เป็นไรมต้องปฏิบัติอะไรที่ ป, ปรับเปลี่ยนอะไรให้มันดีขึ้นไหมครับอย่าอยากดีปัญหาอยู่ตรงนั้นต่างหากนะแล้วที่ทําอยู่ทุกวันนี้ใช้ได้ทําไปสม่ําเสมอทําในรูปแบบอะไรชั่วโมงดีละ แล้วก็คอยรู้ทันจิตรู้ทันกายอยู่ในชีวิตประจําวันดีละแต่อย่าอยากได้ผลมักจะอยากเกินตลอดอปัญหามันอยู่ตรงนั้นแหละมันกวางอยู่ความอยากมันบังอยู่นะแต่การที่เราอยากเบื้องต้นต้องอยากไว้ก่อนการปฏิบัติทำอาศัยความอยากอาศัยตัณหาอยากบรรลุธรรม ทำให้เราขยันมีสติขยันมีสมาธิขยันเจริญปัญญานะตราบใดที่ยังอยากอยู่เนี่ยสติสมาธิปัญญาเนเจือด้วยความอยากนะแต่ว่ามันก็พัฒนาของมันไปได้วันหนึ่งหมดความอยากรู้ว่าอยากไหนก็ไม่ได้ดิ้นยังไงก็ไม่สำเร็จจิตหมดความอยากนะแต่สติสมาธิปัญญาที่มันเคยถูกความอยากผลักดันแล้วเราฝึกฝนจนชนานาญมันทางานอัตโนมัติขึ้น สติไม่ได้ะระลึกรู้นะรูปนามอย่างแต่ก่อนแนละแต่สติะระลึกรู้ลงที่จิตะระลึกเองไม่ได้จงใจสมาธิไม่ได้ไปตั้งอยู่ที่อื่นสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่จิตปัญญาเห็นความจริงภายในจิตนะอริยมรรคก็เกิดขึ้นเพราะฉั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติทั้งหมดเลยแต่ก่อนจะอัตโนมัตินี่ก็ต้องอยากก่อนแล้วก็ฝึกให้มีสติฝึกให้มีสมาธิหัดเจริญปัญญา นะช่วงที่ยังพยายามอยู่เนี้ไม่เกิดผลหรอกนะนพยายามสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วแนหะจนหมดความพยายามนะแล้วมันพอดีแต่อาศัยความพยายามแล้วดิ้นรนไปก่อนแนละ้วถูกแล้วแต่เพียงแต่ความอยากที่รุนแรงไปทนาะนั้นมันขวาง63กราบนมสัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะวันนี้ก็จะมีเรื่องมากราบเรียนถามหลวงพ่อสักสองข้อนะคะคือว่า มีสักสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยตอนปฏิบัติเนี่ยจะเห็นทั้งกายทั้งใจนะคะก็พอนอนลงไปนะคะก็มองกายดูกายคะดูกายตอนนี้ก็สักพักเผลอๆนะคะเผลอๆที่จิตอาจจะเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบค่ะกายมองไปเนี่ยมืดหมดเลยมืดหมดเลยไม่เห็นกายเลยค่ะนานมากเลยนาน นานทีนี้เราก็เริ่มกลัวแต่ว่าก็เคยฟังจากซีดีมามากก็ว่าไม่ต้องกลัวเป็นอะไรเป็นกันนะคะแล้วก็พอดีว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสัมผัสอยู่ก็ยังรู้ว่าอยู่นะคะที น, นี้ก็ก็เดินไปห้องน้ําก็ก็ไม่เห็นข้างล่างนะคะแต่ว่าส่วนไหลยังเห็นอยู่ทีนี้ต่อมาอีกสักสองคืนนะคะประมาณสองคืนดูเหมือนจิตเหมือนจะรวมมามีความสุขแบบที่ที่เคยเคยทำะคะ่ะ ก็เออก็ก็คล้ายๆก็รู้ตัวค่ะตั้งแต่นั้นมาช่วงไหล่ที่เคยเห็นไม่เห็นนะตอนนี้ก็ฝึกเช็คมาเรื่อยสองอาทิตย์กว่าแลนน้วค่ะฮะแล้วตอนนี้ไม่มีร่างกายหรืคือมองมององไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นคนชอบดูกายแล้วก็จะจงกลมอะไรก็จะเห็นเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมก็ไม่ทราบว่าไปติดอะไรครับ ม, มันแค่รู้สึกรู้สึกนะคะมันไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างมันไม่เหมือนเดิมค่ะมันไม่เหมือนเดิมค่ะอย่าไปอยากเหมือนเดิมเลย ดูไปไ ม, มันว่างเปล่าไม่มีอะไรใช่ไหมครับไม่มีไม่มีตัวมีตนมีอะไรนนแต่ว่ามีอยู่อันนี้ก็ว่าถ้าเกิดเราจะตายเนี่ยเราก็ได้แค่ลมหายใจนี่พอรู้จะมองกายจะทำไงมันไม่เห็นนะรู้ทันใจไปเลยกายหมดแล้วก็มาดูใจเนะช่นใจเกิดความกลัวรู้ว่ากลัวนะใจกังวลรู้ว่ากังวลเนี่ยรู้ต่อไปอ๋อค่ะแล้วก็ข้อที่สองก็คือว่า หลังๆเนี่ยเบื่ออยากหลบๆนะฮะบางทีเห็นเพื่อนก็จิตบางทีอยากพูดก็รู้ว่าอยากพูดก็ไม่พูดเฉยๆยงั้นบ่อยฮ อ, อยากพูดไหมยังอยากอยู่ก็ยังอยากอยู่อแล้วก็แต่มันก็ไม่อยาก็ไม่พูดต่อได้ก็มีสติรู้แล้วก็เฉยได้เลยดีไม่เมื่อยหลวงพ่อครับแล้วก็ยัง ปฏิบัติถูกต้องเป่ากล<ว>ั ว, วติดอะไรไม่ทราไม่ติดหรอกทำอีกทําไปทําถูกใช่ไหมคะโลกนี้จืดนะจืดค่ะโลกนี้จืดชืดแต่ใจเนี่ยยังอะไรอวรโลกอยู่ยังไม่ยอมปล่อยเดีนี้ฟังซีดีหลวงพ่อบอกว่าอย่าให้ความเบื่อคร อ, อบงำจิตก็พยายามมีสติตรงนั้นร้นก็ดีขึ้นบ้างนั่นแหละรู้ทันตรงนั้ น, นพอเห็นตามความเป็นจริงยังเบื่อหนอ่ายเบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือ ใครเองปฏิบัติดีอยู่ใช่ัหมคะอร่สามสิบหกดูออกแม่โลกนี่ว่างนะ่ะกายเรายังว่างเลยโลกนี้ก็ว่างดูคนไม่เป็นคนแล้วนะแต่ก็ไม่ใช่หมานมันว่างนำ้ำพัสการครับหลวงพ่อครับวันนี้มาส่งกันบ้านแต่ไม่ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงดีครับ พูดอะไรก็พูดไปเถอะพอดีเดือนเดือนสองเดือนที่ผ่านมาครับภาวนาแล้วมันมันรู้สึกถึงถึงว่ามันไปดูรีแอคชั่นของจิตนะครับจิตมันมีรีแอคชั่นมันมันทำงานเองนะฮะใช่มันจะชอบมันไม่ชอบมันก็ทำเองทีนี้พอพอดูไปสักพักหนึ่งมีมี มีพระอาจารย์ท่านท่านอื่นแนะนําว่าให้ให้ดูตรงที่ว่าตัวที่รับรู้นี่เป็ น, เ ป, นเป็นเป็นเราไหมผมผมก็ลองไปทําดูไปลองไปดูว่าเอ๊ะรู้มันก็จบของมัน hmm? คือตัวเอพอรับรู้แล้วมันก็ไปเกาะตัวอื่ น, hmm. น อ, hmm. อืเป็นไปเรื่อยๆอืไม่หยุดเปไปเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อยๆทีนี้พอมีวันนึงนั่งสมาธิทําทําในรูปแบบนะครับไม่ไม่นั่งสมาธิจริงๆก็ มันเหมือนกับรู้สึกขึ้นมาว่าเฮ้ย จ, จริงๆแล้วมันทุกอย่างมันเสมอกันด้วยความไม่มีไม่มีเราเนี่นะมันก็เลยเหมือนกับอ๋อมันเป็นเป็ น, ปนอย่างนี้นี่เองครับแล้วพอมีโอกาสไปไปไ ป, ไปภาวนาที่วัดป่าก็มีมีมวันหนึ่งนั่งนั่งเล่นอยู่บนกดนะครับ น, นั่งเล่นอยู่บนกติก็รู้สึกเหมือนกับมันมีความรู้สึกเหมือนว่าใจกับสภาวะแวดล้อมมัน มันเป็นเนื้อเดียวกั น, น, กนครับผมก็เลยตอนหลังมาก็เหมือนกับอ๋อว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นของธรรมชาตินี่เองอเราไปทึกทั ก, กมันเป็นของเรานะฮะถูกแล้ว <c oughs> ครับผมดีภาวนาะถูกต้องแล้วมีอย่างอื่นต้องทํา <ำ S 1> <ค>ไปอีกทำไปอีกกิเลสยังมีก็ทําไปครับ <c oughs> มันหลังจากนั้นมามันรู้สึกเหมือนการภาวนา ม, นมันช็อตไปนะครับเหมือนถอดปลัก๊ก ออกจากมันเหมือนมันช็อตไปเลยครับ <c oughs> <g ười> <ๆ>การภาวนาเหมือนมันมันจะเลิกภาวนายัางไงไม่ทราบครับผมก็เลยไปเค้นมันเข้าไปไปเค้นเข้าไปจนจนปวดปหมดเลยครับไม่ไม่ <ๆ S 2> จงอย่าไปอย่าไปเลิกมันนะกลับมานับหนึ่งใหม่มาเริ่มต้นใหม่มารู้สึกกายมารู้สึกใจใหม่คร <c oughs> นะับไม่เลิกนะไม่เลิกครับผมตั้งตั้งใจว่าถ้ายัง ยังมีกิเลสอยู่ก็จะไม่เลิกครับอดีแล้วทําได้ดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวนี้พอนากันเก่งๆเยอะมากเลยคุณดูออกไหมที่ว่าเห็นจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นอันเดียวกัน่ะมันไม่เป็นอันเดียวกันจริงดูออกไหมมันยังเป็นสองอันอยู่จิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เนี้ไม่ได้กลืนเป็นอันเดียวกันในขณะเนี้ยดูออกไหมว่ามันเป็นสองอันนะ ถ้ายังเป็นคู่อยู่ไม่ใช่ของจริงนะแต่ว่าตอนที่เห็นของจริงแนละเห็นทีละแว บ, บเดียวเท่านั้นแหละไม่เห็นสองแว บ, บด้วยด้วนยะใจเรายังมีงานต้องทําก็ทําไปอีกมันยังไม่สลัดคืนจิตให้ธรรมชาตินะมันยังหน่วงเอาไว้มันยังหวงแหนแบ่งแยกเอาจิตออกมาจากธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่ดูออกไหม ร, รู้สึกว่ามัน มันมันมันรักเหลือเกินนั่นแหละมันมันยังไม่มันมันไปเห็นนะแต่มันไม่เอาครับมันไปเห็นนะว่าจริงๆไม่มีอะไรเลยมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งท่านั้นเองแต่มันยังรักอยู่มัยังหวงอยู่เพราะนั้นมันก็จะไปแบ่งตัวออกมาครับมันไปถอดตัวเองออกมาจากความว่างภายนอกจากโลกข้างนอกครับเราก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่มันมันหิวอารมณ์ มันรู้สึกมันหิวครับออ ม, มันบีบคันให้มันได้แหละตัณหานะครับตัวหิวอารมณนะ์นะตัณหาแล้วก็เกิดพบขึ้นมาเกิดการทํางานทางใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาครับนะนี่นคือกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองครับดีภาวนาดีครับขอบคุณครับไปอ่านหนะังสือนะเรื่องเรียนทําคู่เพื่อรู้ทำหนึ่งอะ่นะนี่อ่านนะมีไหมหลวงพ่อยังไม่มีเลย <laughs> เราไม่มีหนัง <Sacred> สือเหลือเลยตอนนี้แปดสิบห้านมัสการครับหลวงพ่อครับคือว่าผมอยากถามหลวงพ่อว่าผมปฏิบัติเนี่ยครับถูกอยู่ทุกทางังนี่เถอะหลวงพ่อแก่แล้วผมอยากถามว่าผมปฏิบัติถูกทางไหยครับหลวงพ่อครับเห็นกิเลนมไหมก็เห็นนะครับแต่บางครั้งก็เหมือนจะคิดเอาเองอย่า้ยครับเออเราไม่คิดเอาหรอกนะเรารู้สึกเนาแต่หลายๆครั้งจะเหมือนแบบว่าคิดเอาอย่างเงี้ยคิดว่าสิ่งที่ เรารู้สึกเราอะไรเงี้ยมันถูกมันอะไรเงี้ยครับคืออยวมันปัญญา<ช>ที่ยังเจอด้วยการคิดะนะมันเป็นปัญญาระดับหนึ่งนะต่อไปนี้เรารู้สึกเอาเรื่อยๆใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเป็นกุศลใจเป็นอกุศลใครดูความเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยๆนะนนนะนนนนก็เปลี่ยนทั้งวัน่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ตัวนี้เห็นไหมอะไรนะครับเห็นไหมว่ามันเปลี่ยนแปลงทั้งวันบางทีก็เหมือนกับว่ารู้สึกเอาว่า คิดเอาอะว่าเห็นว่าว่ามันโกรธนะ <_ S 1> อ, อะไรเงี้ยครับเนี่ยความรู้สึ ก, กโกรธเกิดขึ้นเนื้อรู้ว่ากําลังโกรธอยู่นะไม่ต้องไปนั่งถามมันนะว่าไอตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงโกรธไม่โกรธอย่างนี้คิดเอาแต่ถ้าโกรธอยู่แล้วรู้สึกว่าอ๋อตอนนี้กําลังโกรธอยู่นะอันนี้รู้สึกเอานะพยายามรู้สึกเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกอย่างจิตแอบไปคิดทราบไหมเวลาจิตไหลไปคิดทราบไหม บางทีก็ทราบครับออนะตอนที่จิตไหลไปคิดถ้ารู้ทันเนี่ยจิตก็หลุดออกจากโลกของความคิดแล้วมาอยู่ในโลกของความรู้สึกแต่ถ้าเราหลงไปคิดคิ ด, ค, ดคิดไปเรืยเนี่ยจิตก็ไปอยู่ในโลกของความคิดไม่ได้รู้สึกเอา ง, งั้นต่อไปนี้ค่อยๆสังเกตเวลาจิตแอบไปคิดของคุณเนี่ยพื้นฐานมันจะช่างสงสัย <Okay. S 2> จิตมันจะชอบสงสัยใช่ไหมครับจิตมันชอบสงสัยพอสงสัยแล้วมันจะไปคิดหาคําตอบนึกออกไับ ต่อไปนี้เอาใหม่จิตสงสัยรู้ว่ากําลังสงสัยอยูนะ่ไม่ต้องไปหาคำตอบหรอกใจกล้าๆหน่อยอยากกลัวงโง่ครับกลัวงโง่ไหมกลัวนั่นแหละปัญหาคร้ากล้าๆหน่อยนะสงสัยรู้ว่าสงสัยไม่ต้องหาคำตอ บ, บต้องดูอย่างนี้นะครับต่อไปใจมันจะดีด ต, ตัวหลุดออกจากโลกของความคิดไปอยู่ในโลกของความรู้สึกได้ครับนะรอสี่สบคนสุดท้ายละคนสุดท้าย อ้าวไม่ชิปออได้ฟังซีดีของหลวงพ่อค่ะเพราะว่าบางทีจะมีคนที่เอาจิตวางไว้บนข้างบนศีสัะแล้วก็พยายามดูกายข้างล่างะคะ่ะก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นบางครั้งะคะ่ะก็เลยอยากจะสอบถามเริ่มต้นทําอย่างนั้นก่อนก็ได้ค่ะนะแต่ก็รู้ทันว่าเราไปดึงจิตเอาไว้ข้างบนแล้วก็ย้อนลงมาดูกายข้างล่างค่ะนะถ้าจงใจอยู่ก็รู้ทันว่าจงใจ เบื้องต้นทําอย่างนั้นก็ได้ค่ะแล้วกออ็อยากจะสอบถามหลวงพ่อว่าหนูมีอะไรที่จะต้องแก้ไขอีกหไหมคะขี้โมโหไหมขี้โมโหค่ะออฝึกง่ายหรอกโมโหเรารู้เอานะะโมโหแล้วอย่าไปว่าคนอื่นดูของเราบ่อยๆทําได้ดีอยู่ไม่ยากหรอกดีทำงานไปน ะ, ะทํางานแล้วก็ดูดกายมันทํางานทํางานไปดูจิตมันทํางาน อ้าวหมดแล้ววันนี้นะเชิญกลับบ้านได้